ตอนที่สิบเก้าเพลิงไหมราตรีมาเยือนอย่างเงียบเชียบหิมะหยุดตกแล้วทว่าลมหนาวยังคงพัดกันโชกตําหนักต้าซิงที่สว่างสวัยด้วยแสงคมดูโดดเด่นท่ามกลางความมืดมิดเหล่านักรบในชุดเกราะนับร้อยกระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆภายนอกตําหนักพวกเขายืนตระห่านราวกับรูปปัน้นแม้ลมหนาวจะวดบวิวเพียงใดก็ยังคงนิ่งสงบไม่ไหวติง ในฐานะที่เป็นพระราชฐานที่ประทับของจักรพรรดิแห่งต้าอาวีหมู่ตำหนักแห่งนี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันของเหล่าจิ้นจะวิงพื้นที่ชั้นในห้ามบุรุษภายนอกเข้าก่อนได้รับพระบรมราชโ อ, องการผู้ใดบังอาจล่วงละเมิดจะต้องโทษประหารเจ็ดชั่วโครนี่คือเรื่องของพระราชอำนาจแห่งอรสวรร์และยังเป็นเรื่องของเกียรติยศแห่งราชวงศ์ เมื่อพิธีเส้นไหว้น่าจุดกรงของต้าสิงห้องตี้สิ้นสุดลงบรรยากาศอันหนักอึ้งที่ปกคลุมวังวีก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือไปแล้วไม่ว่าจะโศกเศร้าเพียงใดชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปคนเป็นไม่อาจใช้ชีวิตเพื่อคนตายได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครก็ไม่อาจหลีกหนีความจริงข้อนี้ไปได้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบเชียบในวังวีนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อราชสํานักภายนอกและเมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่ทุกคนแห่งของต้าอวีคนเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยนะ ภายในตําหนักต้าซิงชูหลิงที่เอนกายอยู่บนบันลังพื้พรมด้วยความรู้สึกบางอย่างดูเหมือนการเคลื่อนไหวที่ตําหนักโซ่ห่งในวันนี้จะไปกระตุ้นบางคนเข้าอย่างจังเพียงแต่คนที่ถูกกระตุ้นจะเป็นใครกันแน่ในสมองของชูหลิงปรากฏภาพบุคคลต่างๆผุดขึ้นมาเป็นฉือเสิร์งขังโซ่เทห่วงเทหโศุนหลีเป็นเสริรงเลี้ยฉือโซ่ห่วงเทโศสวีเจินหรือจะเป็นหวังซิ่ว ห, วงหวงองเฮาองค์ปัจจุบัน ถว่าไม่นานนักหวังซิ่วฮองเฮาก็ถูกชูหลิงตัดทิ้งไปจากเรื่องที่พวกชูหงก่อขึ้นจนทําให้สามพระนางต้องออกหน้ามาทีละคนท่าทีของเหล่าผู้นําระดับสูงของจินจวินทําให้เห็นได้ไม่ยากว่าอิทธิพลของหวังซิ่วฮองเฮาที่มีต่อจินจวินนั้นยังห่างไกลาจากอีกสองพระนางมากนักดูเหมือนว่าในกำแพงเมืองหวังวี่แห่งนี้อํานาจของเทห่วงเทโฮและห oh ่วงเทโฮจะเรียกได้ว่าก้ามกึ่งสูสีกันอย่างน้อยก็ในทางพฤตินยัยเมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงบนบัลลังก์เขา เพียงแต่ท่าทีของสามพระนางที่มีต่อสาม อ, องนั้นกลับแสดงออกอย่างสอดประสานกันจนน่าประหลาดพวกนาง ม, มีจุดประสงค์อะไรกันแน่เพียงเพื่อรักษาเกียรติยศของต้าอาวีจริงๆหรือเกรงว่าเรื่องคงไม่เรียบง่ายขนาดนั้นชูหลิงขมวดคิ้วมุ่นเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดชูหงพระโอรสองคโตของไท้ยจงมีท่านตาคือหลี่จีนเป็นกงสวีแห่งราชสำนักดํารงตําแหน่งแม่ทัพใหญ่สยบประจิมคุมกาลังทหารประจําการอยู่ที่ซีเหลียงเพื่อเฝ้าระวังศัตรูเข้มแข็งจากซีชวนให้แก่ต้าอาวี ชูเปียพระโอรสองค์ที่สของไทยจงมีท่านตาคือต่งหงเป็นกงสวีแห่งราชสำนักดํารงตําแหน่งแม่ทัพใหญ่สยบปักใต้คุมกําลังทหารรักษาการอยู่ที่หนานเจียงเพื่อข่มขวัญพวกกบฏหนานเจ้าที่เหลืออยู่ชูเจวินพระโอรสองค์ที่หของไทยจงมีท่านตาคือฉีเซิงเป็นขุนนางคนสําคัญของราชสำนักดารงตาแหน่งผิงจางเจิ้งซื่อแห่งสํานักจงซูมีลูกศิษยลูกหาและขุนนางในสังกัดอยู่ทั่วทั้งราชสำนักและท้องถิน่นตระกูลฝ่ายมารดาของทั้ง3าคนนี้แข็งแกร่งมาก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเหล่าขุนนางบุญบูในราชสํานักเพียงเพราะพวกเขาต้องการใช้ข้ออ้างเรื่องการคุมงานสร้างสุสานหลวงเพื่อหาทางคํานักอยู่ในอวีตูต่อไปกลับถูกริบฐานนันดรศักชิ้นอองและถูกกักบริเวณไว้ในจวนสิบ อ, องไม่ว่าจะคิดอย่างไรเรื่องนี้ก็ดูไม่ธรรมดาแต่สพระนางไม่กลัวว่าบรรดาท่านตาของคนเหล่านี้จะเกิดความไม่พอใจหรือไม่กลัวว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้ศูนย์กลางอํานาจหรือท้องถิ่นของต้าอวีเกิดความวุ่นวายหรือความสันคลอนบ้างหรืออย่างไรชูหลิงยังคงไม่เข้าใจ เขาไม่รู้ถึงผลประโยชน์ของสามพระนางลำพังเพียงข้อมูลที่มีอยู่ในมือตอนนี้เขาไม่อาจค า, าดเดาความคิดของพวกนางได้เลยท่านใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกตำหนักเป็นเสียงที่เร่งรีบอย่างยิ่งเอียดประตูตำหนักที่เคยปิดสนิทถูกผลักเปิดออกในวินาทีนั้นเชินจั ก, กรพันธ์ดีผู้สื่อพระราชสันติวงศเดจย้ายที่ประทับพ่ยค่ะ หลี่จงวิ่งพรวดพลาดเข้ามาในตําหนักโดยไม่สนพิธีริตองใดๆเขาวิ่งตรงมาหาชูหลิงภายใต้สายตาที่จ้องมองมาและคนที่ตามเข้ามายังมีเหล่านักรบสวมเกราะ อ, อีกหลายสิบคนหืมชูหลิงขมวดคิ้วสัญชาตญาณบอกเขาว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วการโต้กลับมาเร็วขนาดนี้เชียวหรือ โดยไม่รู้ตัวชูหลิงนึกถึงการกระทําของตนที่ตำหนักโซ่หงในวันนี้แต่เขาก็ไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองแม้แต่น้อยพิธีเส้นว่า้จุดกรงของต้าสิงห้องตีเพิ่งจะสิ้นสุดลงหากเขาที่เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นอย่าว่าแต่อวีตูที่จะโกราหลเลยเกรนว่าทุกคนแห่งทั่วแผ่นดินคงได้ลุกเป็นไฟแน่หลี่จงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นชูหลิงจึงมองไปที่หลี่จงแล้วเอ่อยถามเหตุใดจึงต้องทว่าในขณะที่ผู้ชูหลิงกลับดลได ในพริบตานั้นเขาก็เข้าใจทุกอย่างทุนจั ก, กรพัฒน์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ตําหนักต้าซิงเกิดเพลิงไม่พะยะค่ะหลี่จงรี่ประสานมือทูนรายงานด้วยความลนลานเพื่อความปลอดภัยของพระองค์โปรดเสด็จย้ายไปที่ตําหนักกระลู่เถิดพะยะค่ะโปรดเสด็จ ย, ย้ายไปที่ตําหนักกระลู่เถิดพะยะค่ะสิ้นคาของหลี่จงคนอื่นๆที่ตามเข้ามาต่างก็ประสานมือทูนเชิญโดยพร้อมเพรียงกันในกลุ่มคนเหล่านี้ชูหลิงเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยหลายคนซึ่งก็คือคนที่แบกเกี่ยวพา เ, าเขาเข้าวังวี่ในวันนั้นนซุเปิ จงจือชางเฟิงสวีปินสร้างกวนซิ่วเพียงแต่ชูหลิงจำไม่ได้ว่าใครชื่ออะไรบ้างเร็วเข้ารีบดับไฟซะนอกจากจินจวินที่เขเว้นอยู่คนที่เหลือให้ยืนอยู่กับที่ใครบังอาจเคลื่อนไหวโดยพลาการให้สังหารทิ้งทันทีในเวลานี้ภายนอกตําหนักมีเสียงตะโกนสั่งการดังระงมเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความจงใจ ชูลิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นสัญชาตญาณบอกเขาว่าตําหนักต้าซิงที่มีการคุ้มกันแน่นหนาโดยเฉพาะในคืนนี้ที่มีการเพิ่มกําลังจิ้นจวิงขึ้นอีกไม่น้อยโอกาสที่จะเกิดเพลิงไม่จากอุบัติเหตุนั้นมีน้อยมากแต่หากเป็นการจงใจแล้วจะเป็นฝีมือของใครกันภายใต้การคุ้มกันเช่นนี้กลับมีคนสามารถวางเพลิงในตําหนักต้าซิงได้และดูจากสถานการณ์แล้วยังจับตัวคนวางเพลิงไม่ได้ด้วยซ้ํานี่ถือเป็นเรื่องใหญ่โตโหมลานนักโปรดเสด็จย้ายไปที่ตําหนักกะระ เมื่อเห็นชูหลิงนิ่งเงียบหลีจมก็ร้อนใจจนแทบพังโดยเฉพาะเมื่อได้ยินความวุ่นวายภายนอกตําหนักเขาไม่สนอะไรอีกแล้วรีบก้าวเข้าไปหาชูหลิงทันทีพิธีเส้นไหว้จุด ก, กลมของต้าสิงฮ่องตี้เพิ่งจบลงตําหนักต้าซิงก็เกิดเพลิงไม่เรื่องนี้ย่อมต้องกลายเป็นคลื่นยักย้ายที่สันสะเทือนไปทั่วหากท่ามกลางความวุ่นวายนี้จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์เกิดเป็นอะไรไปอีกเรื่องคงยิ่งบานปลายจนกู่ไม่กลับ จากการที่อยู่ในวังวีมานานหลี่จงเข้าใจความจริงข้อหนึ่งยิ่งในยามที่เกิดความวุ่นวายสำหรับจักรพรรดิและยิ่งอันตรายที่สุดเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไปกันเถอะเมื่อเห็นท่าทางของหลี่จงชูหลิงจึงก้าวลงจากบันลังอารักขาเมื่อเห็นจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศเสด็จลงมาสุนเปิลที่เป็นหัวหน้ากตกลสั่งเสียงเข้มเหล่าองคครักที่ล้อมรอบอยู่ต่างก็ตั้งขบวนเตรียมพร้อมราวกับเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาด บุตรหลานตระกูลขุนนางเหล่านี้ไม่มีใครกล้าประมาทแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าจะมีคนจำนวนมากที่ไม่ต้องการเห็นเขาตายเสียแล้วชูหลิงที่เห็นภาพนี้ใบหน้ายังคงเรียบเฉยทว่าในใจกลับรอบยิ้มออกมาถึงกระนั้นความระแวดระวังของเขาก็ไม่ได้หายไปเพราะอย่างไรเสียเรื่องพันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอารัขา ภายใต้การห้อมล้อมของฝูงชนเมื่อชูหลิงเดินออกมานอกตําหนักเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนของสวีหุยแต่ในวินาทีต่อมาสุนเปิลกลับ ก, บ ก, บ ก, บก้าออกไปขวางไว้แล้วตวาดสั่งห้ามผู้ใดเข้าใกล้โดยพลาการผู้ใดฝ่ฟาฝืนสังหารทันทีบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีสวีหุยที่กล้าเข้ามาพร้อมดาบข้างกายชะงักฝีเท้าลงเขามองสุนเปินด้วยสายตาที่ซับซ้อนขณะที่กําลังจะเ อ, อ่ยอะไรบางอย่างเขาก็เห็นสวีปินบุตรชายคนโตของตนที่อยู่ในขบวนอารักขาสายหน้าให้เบาๆ ในพริบตานั้นสวี่หุยก็เข้าใจอะไรบางอย่างไฟเริ่มแรงขึ้นแล้วชูหลิงที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนสัมผัสได้ถึงคลื่นความร้อนที่พัดเข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นเปลวเพ ล, ลิงกําลังลามเลียไปตามตําหนักรองแห่งหนึ่งของตําหนักต้าซิงภายใต้ลมหนาวที่พัดกันโช่ประกายไฟปลีววนเปลวเพลิง น, นั้นเริงระบําราวกับมังกรไฟขับไล่ความมืดมิดและทําให้พื้นที่บริเวณนั้นสว่างสวัยขึ้นมาอย่างน่ากลัว